มาละ บ, บามาชำระใจให้สะอาดเพราะมีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญเห็นเรื่องบาปเห็นเรื่องการชำระใจให้สะอาดบอยส์ boys, ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ ก็จะทำให้ชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับสุขตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปจากมนุษย์ก็จะได้สุขของเทวดาจากสุขของเทวดาก็จะได้สุขของพรจากสุขของพรมก็ได้ของพระอริยเจ้า ขั้นต่างๆจนถึงสู่ ข, ขั้นสูงสุดที่เรียกว่าบรลงมสุขนิบบางังปละมังสุขขังเกิดจากการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อน้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถึงแม้เรายังจะไม่เห็นผลของการปฏิบัติเพราะตาของเราตอนนี้ ถูกปิดเอาไว้ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงเอาสิ่งที่ปิดตาของพระพุทธเจ้าออกไปแล้วจึงทําให้พระองค์ทรงเห็นสวรรค์ชั้นต่างๆเห็นนรกชั้นต่างๆเห็นเหตุที่ทําให้ไปสวรรค์เห็นเหตุที่ทําให้ไปนรกเห็นเหตุ ที่ทำให้สังเวชยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยภพใหญ่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหมดสิ้นมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลเหตุก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดผลผลก็คือความสุขความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิด เมื่อส่งเห็นเหตุแล้วดูแล้วว่าเหตุนี้นำผลอะไรมาพราะองค์จึงได้นำมามาเผยแปลสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานเราก็ต้องทำบุญเราต้องละบาปคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่กระเุิดผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการพบคนชั่วเป็นมิตรกล่าวความเกียดคารานการกระทําเหล่านี้เป็นเหตุที่จะฉุด่างให้ชีวิตจิตใจของพวกเราตกต่ำเพราะเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกแล้ว ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องทำบาปพอทำบาปแล้วเราก็จะต้องไปรับผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือความจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นอะไรเรามองไม่เห็นผู้ที่จะไปรับผลบาปและเป็นผู้ที่กระทำบา ร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ไม่ได้เป็นผู้ที่ิเริ่มการกระทำบาปผู้ที่รเริ่มผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ทำบาปหรือทำบุญ<ม>ก็คือใจใจนี้แหละที่เป็นตัวเราที่อยู่กับเราใจอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นใจอยู่สวรรค์เราก็จะอยู่สวรรค์ ใจอยู่นรกเราก็จะอยู่นรกใจจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็อยู่ที่อยู่ที่การกระทาของใจใจคิดดีใจก็จะสั่งให้ร่างกายทำดีเช่นวันนี้ญาติโยใจของญาติโย่คิดดีคิดจะมาวัด คิดจะมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมาชำระใจด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมพอใจคิดแล้วใจก็สั่งให้ร่างกายมาตามคำสั่งเอาข้าวเอาของมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่คือใจเป็นผู้กระทำและใจก็คือผู้รับผลผลก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้เองส่วนผลอย่างอื่นนี่เป็นผลแถมเป็นผลปลอยได้เช่นทำแล้วอาจจะได้รับ ความเจริญในทางลาบยศสารเสริญแต่ไม่แน่เสมอไปคนบางคนทำบุญแล้วกลับไม่ได้รับความเจริญทางลาบยศสรรเสริญก็มีคนไม่ทําบุญแต่ได้รับความเจริญทางลาบยศสรรเสริญก็มีเพราะว่าการทำบุญไม่ได้มีผลจากการ จเจริญในราบยศสารเสริญแต่จเจริญทางจิตใ จ, จเจริญอย่างไรก็จิตใจจะยกระดับจากมนุษยก็ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็กลายเป็นพรหมจากพรหมก็เป็นพระอริยเจ้านี่คือความจเจริญที่เกิดจากการทําบุญของใจส่วนความจเจริญทางราบยศเช่นร่ารวย ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้รับรางวัลต่างๆได้รับการยกย่องอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญก็ได้คนทําบาปคนขี้โกงก็รวยได้คนขี้โกงก็รับรางวัลได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเราโกงเช่นเราไปทําอะไรโดยที่เราไม่ได้ทําแล้วก็ไปอ้างว่าเราเป็นคนกระทา เขาไม่รู้เขาก็ให้รางวัลเราเขาให้คําสรรเสริญกับเราเขาให้ตําแหน่งเราสูงขึ้นแต่ความสุขภายในใจไม่เหมือนกันความรู้สึกภายในใจจะไม่เหมือนกันคนที่โกงแ ล, ล้วร่ํารวยนี้จะไม่สุขเหมือนกับคนที่ไม่โกงยิ่งคนที่เสียสละคนที่ทําบุญ แล้วเจริญนี้เขาจะมีความสุขมากกว่าคนที่โกงแล้วเจริญทางลาบยศสารเสริญดังนั้นเวลาเราทำบุญหรือทำบาปขอให้เราดูใจของเราผู้เป็นรับผลเป็นผู้รับผลและเป็นผู้กระทําเป็นผู้สั่งให้กระทําวันนี้ญาติโยมสั่งให้มาวัด มาวัดแล้วได้ทำบุญถวายข้าวของแล้วใจก็เย็นสบายมีความสุขถ้าญาติโยมไม่ได้มาวัดไปทำบาปไปยิงนกตกปลาใจก็จะไม่สบายจะรู้สึกไม่สบายใจที่เราไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นดังนั้น ขอให้เราดูผลจากการทาบุญทาบาปที่ใจของเราอย่าไปมองที่ของภายนอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงตอนนี้เราทําบุญใจของเราก็ยกระดับขึ้นไปจากมนุษย์ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราไปทาบาปตอนนี้ใจของเราก็จะลดระดับลง ม, มาเป็นเดรัจฉานแล้ว นี่แหละใจมันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงตามบุญตามบาปที่เราทำเอาไว้แล้วพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปที่เราทำนี้จะมาฉุดรากใจของเราให้ไปทางของเขาถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปเขาก็จะฉุดไปทางสวรรค์ถ้าบาปมีบุญบาปมีกำลังมากกว่าบุญ ก็จะดึงไปทางอาบายถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันดึงไปสวรรค์ไม่ได้ดึงไปอาบายไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการทำงานของกฎแห่งกรรมของบุญและของบาปที่จะมาคอยฉุดลากใจของเราให้ไปในทิศทางของของเขา ถ้าเราทำบาปมากทำบุญน้อยตายไปก็จะถูกชุดลากให้ลงไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความโลภไปเกิดเป็นสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวไปนรกถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียด อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี่คือเหตุที่จะทำให้ผู้ที่ตายไปแล้วต้องไปเกิดในอบายในลักษณะต่างๆในทางตรงข้ามถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปพอตายไปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบุญที่สูงกว่า การให้ทานกว่าการรักษาสิงค์คือการทําใจให้สงบนั่งสมาธิได้จิตใจสงบได้ก็จะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นพรมแต่ก็ยังจะต้องเสื่อมกลับลงมาทาเพราะว่าบุญระดับนี้ยังไม่ใช่บุญที่ถาวรส่งให้เราขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรม พอเราเสวยผลของบุญสวรรค์ชั้นพรหมหมดแล้วจิตก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าสวยบุญระดับชั้นเทพหมดไปแล้วก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมาทำบุญละบาสมาทำใจให้สงบนั่งสมาธิใหม่ถ้าอยากจะไปแบบไม่ลงมา ก็ต้องทำบุญอีกระดับหนึ่งก็คือการเจริญปัญญาเริ่มต้นด้วยการฟังเทศฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้มีความรู้รู้จักวิธีที่จะรักษาจิตใจที่ได้ขึ้นไปสูงถึงขั้นระดับชั้นพรหมนี้ให้ไม่ต้องเสื่อมลงมาให้สูงขึ้นไปต่อ ให้สูงไปถึงระดับพระนิพพานการที่ใจจะไม่เสื่อมลงงานี้ใจจะต้องมีปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจเสื่อมลงมาก็คือตัณหาความอยากหรือกิเลสความโลภความโกรธความหลงถ้าเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงแ สวรรค์ชั้นพรงก็จะเสื่อมลงมา ท, าทันทีถ้าเกิดความอยากสวรรค์ชั้นพรงก็จะเสื่อมลงไปถ้าอยากจะรักษาสวรรค์ระดับชั้นพองอยากจะให้ขึ้นสูงไปกว่าสวรรค์ชั้นพรงก็ต้องยุติความโลภความโกรธความหลงยุติความอยากเวลาอยากจะทำอะไรที่ไม่จาเป็นต่อการครองชีพ ก็อยากไปทำเช่นอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้ก็อยากไปทำอยู่บ้านนั่งทาใจให้สงบดีกว่ารักษาพรมารโลกเอาไว้เวลาไปเที่ยวแล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับต่สู่ระดับมนุษย์ถ้าอยากจะอยู่เป็นพรมอยากจะขึ้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสัตดิกสกิฎาร า, ามีพระอนาคารามี พระอรหันต์ก็ต้องอยากทำต่างความอยากอย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผดธรภัอย่าไปอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานเพราะจะทำให้จิตใจเสื่อมลงมาอย่าไปอยากมีอยากเป็นอยากอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่าอยากร่ำอยากรวยอย่าอยากเป็นดารา อยากจะอย่าไปอยากเป็นงามงามอย่าไปอยากเป็นอะไรทำนั้นเพราะความอยากนี้จะฉุดลากใจที่สงบอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมให้ตกลงมาเดี๋ยวก็อย่าไปอยากไม่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เช่นอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ ถูกคนอื่นเขาดูด่าว่ากล่าวติดเตียนอย่าไปให้เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาเพราะความอยากเหล่านี้จะฉุดให้จิตใจของเราลงต่ำการที่เราจะห้ามความอยากได้เราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวเช่นอยากจะไปเที่ยว พอเราไปเที่ยวเราก็ได้ความสุขพอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปสิ่งที่มาทดแทนก็คือความว้าเหวความเศร้าซ่วยหน่อยหเหงา<ม>ก็จะเกิดความอยากใหม่อยากไปเที่ยวอกีกอยากไปอยู่กับคนนั้นอยากไปอยู่กับคนนี้<ม>พอเวลาไม่ได้อยู่ไม่ได้เที่ยวก็จะเกิดความว้าเหว เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็ต้องอยากไปเรื่อยๆถ้ามีความอยากเหล่านี้เวลาตายไปก็ความอยากนี้ก็จะเดินให้ไปรับผลบาปผลบุญต่อไปถ้าตัดความอยากได้เวลาตายไปจะไม่มีความอยากฉุดล่างให้ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอิดต่อไป การกลับมาเกิดนี้เป็นความทุกข์ทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เวลาออกจากท้องแม่ก็ร้องไห้แล้วแล้วก็ต้องบรรเทาทุกข์ด้วยการดืมด้วยการหายใจถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นคนเราจึงต้องหายใจกันตลอดเวลาไม่เชื่อลองหยุดหายใจดูสักพักหนึ่งดูว่าจะทุกข์หรือไม่ นอกจากหายใจแล้วก็ต้องดื่มน้ำอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ดื่มน้ำก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมานอกจากดื่มน้ำแล้วก็ต้องรับประทานอาหารถ้าไม่รับประทานอาหารก็เกิดความทุกข์ขึ้นมารับประทานอาหารแล้วก็ต้องหลับนอนถ้าไม่ได้หลับนอนก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ต้องไป ระบายความทุกข์ในห้องน้ำต่อต้องไปปับสาวะต้องไปขับถ่ายอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่เรามองไม่เห็นกันความทุกข์ของร่างกายนอกจากนี้แล้วยังมีตอนที่มันแก่พอมันแก่ก็จะทำอะไรไม่ไหวเที้ยวแรงไม่มีพวกกล้ามเนื้อต่างๆก็เจ็บก็ปวด จะเดินจะเหินจะทําอะไรก็รู้สึกเจ็บไปหมดอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของความแก่นอกจากความทุกข์ของความแก่แล้วก็ยังต้องมาเจอความทุกข์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นงไงยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าล้าโลงหรือเปล่าเลือหน้าหงิดหน้าเมารหุดกงิดลำคาญใจเพราะทุกทรมาน ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอเวลาที่จะต้องตายก็ยิ่งจะทุกข์เพราะไม่มีใครอยากตายนี่แหละคือทุกข์ที่จะเกิดจากการที่เรามาเกิดกันคนฉลาดคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นโทษของการมาเกิดแต่พวกเรานี้ถึงแม้ว่าจะอยู่กับความทุกข์ของร่างกาย พวกเราก็ยังอยากจะอยู่ต่อไปแล้วตายแล้วก็ยังอยากจะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่ยอมมองความทุกข์กันพอเรามองไม่มองความทุกข์มันก็เหมือนกับเราไม่เห็นมันแต่ถ้าเรามันมองอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวๆเดี๋ยวก็ต้องขยับแล้ว คนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันเจ็บก้นนะ<ม>พอลุกไปเดินสักพักเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วต้องกลับมานั่งใหม่นี่คือความทุกข์ของร่างกายนอกจากทุกข์กับร่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเป็นของของเราได้สมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องมาทุกข์กับความดูแลรักษา ต้องมาห่วงมาห่วงกับสมบัติต่างๆนอกจากสมบัติแล้วก็มาทุกข์กับคนที่เรารู้จักคนที่มาเป็นสมบัติของเราเช่นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราเราก็ต้องมาเป็นหัวเป็นใยตั้งมาคอยดูแลเลี้ยงดูเขาแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไป ชีวิตของพวกเรา this จึงมีแต่การหอบร้อนด้วยความทุกข์ตลอดเวลาและเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความอยากต่างๆนี้เองพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามาตัดความอยากมาชําระใจให้สะอาดใจของเราไม่สะอาดเพราะความอยากทําให้จิตใจของเรามัวหมอง ทำให้เรามีความทุกข์ละทมใจถ้าเราสามารถกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์จะมีความสดชื่นเบิกบานตลอดเวลาจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์ สมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่ทุกข์ไม่หวงไม่ห่วง ม, มีก็มีไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่มีความอยากได้อะไรใจมีความอิ่มในตัวมีความพอในตัวใจที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่มีความหิวจะไม่มีความต้องการอะไรความอยากนี้ที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความหิวความอยากขึ้นมา พอไม่มีความอยากแล้วก็อิ่มเหมือนกับได้กินข้าวนีน่แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสอนมาบอกเราถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องของตัวเราของใจเราเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปทาตามความอยากต่าง ทำแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกขกับเงินทองทุกขกับยศถาบรรดาศักดิ์ทุกขกับการสระเสวนินฐานทาุกขกับการสูญเสียกับการพัดพลาจากทรัพสมบัติข้าวของเงินทองจากบุคคลต่างๆพวกเราในที่สุดเราจะต้องจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็ว มี้อกมีน้อยก็ต้องจากกันไปมีมากก็จะเสียดายมากมีน้อยมีน้อยก็เสียดายน้อยถ้าไม่มีเลยก็จะไม่มีอะไรต้องเสียดายก็จะไม่ทุกข์มากคนมีมากจะทุกข์มากเวลาจะต้องเสียของที่ตนเองมีไปคนมีน้อยก็ทุกข์น้อยเช่นขอทานกับมหาเศรษฐีนี่ใครจะทุกข์มากกว่ากัน เวลาตายมหาเศรษฐีต้องเสียเงินร้อยหมื่นล้านแสนล้านขอทานเสียแต่กะลาใบาเดียวความทุกข์ต่างกันถ้ามีมากก็จะทุกข์มากมีน้อยก็จะทุกข์น้อยถ้าไม่อยากจะทุกข์เลยต้องไม่มีความยึดติดเลยต้องไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วจะมีมากมีน้อยก็ไม่ทุกข์เลย เพราะว่าไม่มีความอยากที่จะให้มีเงินทองอยู่กับเราไปตลอดพร้อมที่จะให้มันไปได้ตลอดเวลามันจะไปตอนนี้ก็ไปได้มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาของพวกเราต้องมาแก้ที่ความอยากกันถ้าเราตัดความอยากได้หมดแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเกิด แต่การไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่เหมือนตันเหมือนตอนที่เราอยู่ตอนนี้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องอยู่ด้วยร่างกายเราคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะอยู่ไม่ได้แต่ความจริงใจของเรานี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากไม่ต้องมีอะไรอยู่ตามนำพันของมันได้ แต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้ความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีนั่นมีนี่เราถึงจะอยู่ได้พอเราคิดอย่างนี้เราก็เกิดความอยากมีนั่นมีนี่ขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องไปมีร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถมีสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้ได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่กลับมาเกิดเราไม่ได้สูญไม่ได้หายไปไหน เราก็ยังเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แต่จะสบายกว่าตอนนี้มากมายเพราะว่าไม่ต้องมาทุกขกับร่างกายไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาคอยรักษาร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านก็ยังอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายตอนนี้ท่านก็ยังอยู่แต่ไม่อยู่เหมือนพวกเรา ท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบมนุษย์ล่องหนท่านยังสาท่านยังมีความสุขมีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องหามาเป็นความสุขที่มีอยู่กับตัวตลอดเวลานี่แหละคือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือมันทำบุญอยู่เรื่อยๆมันละบาปอยู่เรื่อยๆเหมือนมันชั่งะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยาก ถ้าเห็นโทษแล้วต่อไปก็จะไม่อยากมีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทใจก็จะหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาแบบ ร, ร่างกายนี้ต่อไปนี่คือผลที่พวกเราจะได้รับกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะรับหลงนี้ได้ด้วยกันทุกคนเพราะในสมัยพระพุทธการก็ปรากฏมาแล้วว่ามีทั้งหญิงทั้งชายที่ได้บรรลุ ถ, ถึงภาพที่ผ่านได้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชและไม่ใช่นักบวชเพราะเพศนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เป็นหรือไม่เป็น สิ่งที่จะทําให้เป็นก็คือการกระทําของเราการปฏิบัติของเราถ้าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนแล้วผลก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดสมัยพระพุทธเจ้าก็เกิดได้สมัยปัจจุบันนี้ก็เกิดได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลอย่างนี้เสมอทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะทำได้หรือเปล่าจะปฏิบัติจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือเปล่าคือทำตามคำสอนของพาาระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนหรือเปล่าเท่านั้นเองทำบุญให้ครบร้อยละบาทให้ครบร้อย ชำระใจให้ครบรอยได้ผลก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกับผลที่เกิดให้กับพระพุทธเจ้าขอให้เหตุของเราเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเหมือนแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาดังนั้นพวกเราอย่าลังเลสงสัยอย่าให้ความหลงมาอ้างว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชนี้ มาเป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่ปฏิบัติกันขอให้เรามองผู้ที่เขาได้ผลกันเขาเป็นเหมือนเราเขาเป็นหญิงเขาเป็นชายเขาเป็นนักบวชเขาไม่เป็นนักบวชเขาเป็นเด็กเขาเป็นผู้ใหญ่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะจะทำได้แล้วเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทำบุญมาล้างบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพาราิยะนาและปฏิบัติเพื่อความซึ่งสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัธนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุดและความเจริญแค้วคลาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ